ผัดลมก่อนอยู่ในความสงบเพื่อกันนะพอผัดลมมันเป่ามามันเข่ามาไหม่เนี่ยดังอยู่บูดบูดนะเพราะนั้นเองดับผัดลมอีกต่างหาก <c oughs> เอ๊สีบอสจังไหนนะบอกภาษาผู้ไทยเสียเลืล่อมเราบ่นอ๋อผู้ไทยเนี่ยฮะ <c oughs> ลองลองบอกภาษาผู้ไทยเล็กน้อยเนาะ มีแต่ว่าแต่ภาษาไทยแตละลืมเนี่ยวะจักเม่นพิษจักแม่นเถื่อก่อนไปเขาก็บอกว่าหลวงพ่ออินหมอภาษาไทยเข้าท้าอยา่าเขาเดว่าอย่าได้ละวะแต่บางบางคนเขากอกว่าเอ๊ะหลวงพ่อ อ, นนอนินเนี่ยบอมเป็นเหล้าเขาจได้ว่าแต่บอมเปนไทยเขาเป็นภาษาทำแหม่งทำแแม่งเออปู ผู้ฟังตรงนั้นกับพันมี่เด้ยวกัไปภาษาทำแมงถแมงเขาวะเล่าเก็บอแมนว่าไหนเขาว อ, อผู้บวหุนจักว่าไฟเอะหลวงพ่ออินเนี่เป็นคนทางใด น, น้อนเหออาารย์นี่ยคนทางไหนว่อาจา น, นี่ยฟังฟังดูแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เล่าวะารนะแต่ไม่ใช่ไทยไม่ใช่ไทยภาคกลางวะาจานะแต่เป็นภาษาอีกอย่างหนึ่งวะาจารยเขาวะเาบอกภาษาพูไทยวะ านามนที่บอกภาษาผู้ไทยให้พวกลูกหลานได้ฟังนะวันนี้นะบางที่อาจจะมีผสมประ ส, สา น, นกันสั่งภาษาเล่าภาษาไทยพราะว่ามันหลวมพ้อไปอยู่หลายหมู่บ้านหลายชุมชนเพราะอาการบากภาษานี่ก็ <c oughs> ก็เลยแปลกแตกต่างไป นนืันนี้มาพบรูปพบลานอยู่ทมกกสะพุงบ้านคำนั่งโอกอำเภอนิคมคำซ้อยจังหวัดมุกดาหารืันนี้เป็นวันที่ยีมีนาคมพุทธศักราช2558เมื่อวานหลวงพ่อมาจาก วัดป่าหน้าคำน้อยเดินทางมามาถึงวัดคุณแม่ชีแก้วบ่ายสามโมงเมื่อวาน ấy. เนี่ยพระเอาพระมาสองรถตต้ช่้งเมดก็ประมาณสัก14ี่องค์มั้งเตี่ยวพระมาซอยงานคือมากข้าวในมางานจัดงานของคุณแม่ชีแก้วทุกปีที่ผ่านมา หลวงพ่อกับคณะกรรมการณคณะสถานญาติโยมร่วมกันบอกว่าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาแต่คุณแม่มรณ ะ, ะวันที่สิบดมิถุนาแต่หลวงพ่อจะมีพิษนะแต่ในช่วงมิถุนาเนี่ยเข้าไปจัดงานช่วงนั้นพี่น้องชาวบ้านในทิ่นทานแถวนี้น่บางที่ก็ตกปลาบางที่ถ่ายหน้าหด บางเท่ก็ปักดำเป็นบางคนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับพี่น้องลูกหลานสิจัดงานในช่วงที่ปักดำให้ดำหน้าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยมาประชุมกับคณะกรรมาการว่าน่าจะย่นลงมาเป็นวันที่เป็นวันเดือนมีนาดีบอก็เลยตกลงกันได้ว่าเป็นวันอาทิตย์ สุดท้ายของเดือนมีนาปีนี้ตกวันที่29มีนา58เป็นวันอาทิตย์หลวงพ่อก็บอกว่าเราทำบุญให้พรอให้แม้ก็คือการกับการระลึกถึงบุญคุณของเพิ่นการใช้หนีเพิ่นเฮ้าเนี่เป็นลูกค้าที่ดีด้เพราะเฮ้าใช้หนีก่อนคันฮาว่าเลื่อยวันที่ เดินมิถุนาไปแล้วเนยายังใครงัวงเงียมาทําบุญยังจะรวบร่วมกันได้เนะี่ยอันนั้นแปว่าใช้นี้่หลังหลังวันมรณภาพอันนั้นไปวันลูกนี้ไม่ใช้ลูกนี้ชั้นดีคนออไปเอ้ยใช้เลยวันเวลาไปแล้วยค่อยใช้นี้คนออไปคันเพื่อเลยก็ตามคันใช้นี้ก่อนอก่อนวันงานนะ อ, ยอย่างพวกเขานะี่ใช้นี้ก่อนวันงานพวกเข้าลูกหลานของเขานะ่ะ เป็นลูกนี่ชั้นดีฮะไอ้พอเอาใจนานงานใสใชทุนทําบุญก้อนเดนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยมาไอ้กำหนดนี่แหละไอ้กำหนดวันทําบุญ <c oughs> เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนา <c oughs> เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะได้ม า, าจัดงานทําบุญระลึกถึงคุณแม่จีแกวอมือแรงเนี่ยไอ้ลูกพกหลวงพ่อก็มาก้อน มาวันที่27เมื่อวานนี้มาเพื่อมาดูความพร้อมของงานเออมันเบิงความพร้อมของงานกลางเต็นเป็นอะเลยเอ็ดเพลอพร้อมบ่อลูกหลานเออพร้อมที่จะเข้าการงานได้บ่อลงพร้อมหมอเบิงเห็นเอออบอุ่นลู้สึกว่าพี่น้องลูกหลานชัท่าญาติโยมพร้อมเพียงเฮกหน้ากันดีอยู่ได้จัดตรงจัดเต็นจัดเออเรื่องไฟเรื่องเครื่องเสียง มีพร้อมมาเห็นเมื่อวา น, นก็เออพอเป็นที่พอใจหลวงพ่อเออเอาอถ้าหาว่าจะไปพักที่วัดหลวงปู่จามาก็หลวงพ่อเคยมาพักหยุดกับกูบาลฉลาดกูบาลเซอ่อเขาเนี่ยวัดหยุดเนหวนออกไปหลวงพ่อเออจะดวกดีการเข้าไปก็มีปัญหาหลวงพ่อเลยมาพักอยู่วัดกูบาลฉลาดเนี่ยนะวัดทับทำโคกสะพุงมื่อเนี้ และจะส่วนคู่บากับซิบคู่องค์ก็เพื่อพักจูวัดหลวงผูจาม เ, าเพื่อมาช่วยงานถาาว่างงานสิ่งใดที่มันขาดตกบกพร่องเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องอยังเอาคู่บามาซอยเด้อหลวงพ่อก็เอาคู่บามาเหมาะไปหันละแต่มาเบิงงานแล้วก็รู้สึกว่าดี เ, าเป็นที่พอใจอของหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็บมีนะ่แหละมีแต่นำจตุ ป, ปัจจัย <c oughs> มาสมทบ ก็เป็นค้าอาวงอาหารเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนอาเมื่อวานเนี่ยกร อ, อ, อกให้เพลินเรียบร้อยแล้วนะและก็เมื่อแรง <c oughs> เมื่อแรงเนี่ยตอนเย็ น, นยวันที่28ดวันเสาร์ที่ย8่ดเย็นจะมีการเจริญ่พระพุทธมนต์พระสงฆ์ทั้งหลายที่มาพร้อมกันและก็วายพร ะ, ะวพระสวดมนต์ พวกธาญานยาโยวไว้พวนนระสมบัอิร拉ธนาซินจากนั้นเราก็พระสงฆ์จ ะ, จะเจริญพระพุทธมนต์เมือแงแหล่งเพื่อปินศิลิเพื่อเป็นมงคลจเจริมสลองครบหลอบปันมรณาภาพของคุณแม่สี่แก้วของพวกเฮ้าแล้วก็จะมีการแสดงธรำประเทศนานึ่งกันแต่จะเป็นภยัยเป็นผู้องค์แสดงรรมก็ยังบุันได้ยังบุันได้องค์แสดงถ้ะ ขันไม่ได้พลเรือกลเป็นหลวงๆพ่อนะั่นแหละเป็นผู้ก้าวสมโภชทานิยกระทาปาลบงานเอ อ, เ อ, อมันแล้ ว, แ ล, วแล้วไปผมมีปัญหาแล้วก็เมือ่อื่นเสาร์วันที่29พระสงฆ์ก็ออกปินฑบาตสัทไายญาติโยมทั้งหลายก็เสบา้าตามปกตินะแล้วก็พระสงฆ์ก็กลับมาแล้วก็ชั้นพทนัทหารพี่น้องประชาชนรัทไายญาติโยมก็รับทานอาหารตามมัธยายาย จากนั้นก็ถวายจะจุกปัจจัยทายารมพระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาเฮอพรถ้าเป็นงานเป็นเซตพิธีในวันที่ยเกวันนั้นขอเชิญพี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคููทุกคนเนะไปร่วมงานแสดงความเคารพสักกา ร, ระในคุณแม่ชีแก้วที่เป็นผู้หยิ่งที่มีที่หลวงตามหาบัวรับรองรับประกันว่าทั้งทางด้านคุณธรรมแล้วก็ เราเป็นยังไงแม่ชีแก้วเป็นอย่างงั้นแม่ชีแก้วเป็นยังไงเราเป็นอย่างงั้นอันนี้คือหลวงตาบมหาบัวเพื่นรับรองคุณธรรมในจิตใจสําหรับคุณแม่ชีแก้ววัานั้นพอคุณแม่ชีแก้วเพิ่นมรณาภาพอายุเพิ่นเก่าสิบกว่าปีเก้าสิบองปีเพิ่นมรณะภาพไปแล้วก็กระดูุเพิ่นก็เป็นกายเป็นพระธาตุได้เป็นแก้ว ขึ้นมาเป็นอย่างที่ลงตารับรองไว้อิเล่เพราะนั้นเท่าทุกลานทั้งหลายก็เห็นว่าสมควรจะเชิดชูบูชาคุณแม่สีแก้วเนี่ยเป็นผู้ยิ่งแต่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าตำราที่ว่าพิกษุณีในครั้งพระพุทธเจ้าเพป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบภิกษุนีก็ได้สำเร็จเป็นพระหรหันมากต่อมากในครั้งพุทธกาลเพราะนั้นพระหรหัน์เนี่ย ไม่ว่างเว้นถ้าหากว่ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่คุณแม่ปฏิบัติถึงผนก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเพราะนั้นพวกเฮาทั้งหลายจึงได้สร้างเจดีขึ้นมาเพื่อบรรจุอธิษฐานของเพิินและก็พร้อมกันพวกเฮาลูกหลานทั้งหลายก็ทําบุญลําลึกถึงคุณแม่ชี้แก้วของพวกเฮาเพราะนั้นลูกหลานผู้เลิกนะก็ตามเน้อตกทุกได้ยากเร้ย ว, ว่าลําบาก ทางด้านจิตดัดดานใจเฮาไปกราบขอพรจากคุณแม่นะเออคุณแม่เอ้ยผู้ค่านี่ไม่สบายอกไม่สบายใจเรื่องนั่นเรื่องนี้ <c oughs> ขอบุญบารมีของคุณแม่คุ้มครองผูค้าด้วยเทนรอ่ของไงได้เพราะว่าเพิ่นเป็นผู้หญิงได้คือกันกับขอแม่นะพันไปเนี่ยขอแม่ก็ขอพอน่ยขอพอในยะขอนำขอทางแม่ได้เม็นบ่ละเออเพราะนั้นพวกเฮาเนี่ยลูกหลานทุกคู่ทุกคนเนาะ เอวันที่28 29้าน่ะกันมีพอมีเวลาก็ไปรวมทาบุญนำกันบอกก้าวต่อต่อกันไปด้วยโทรศัพท์บอกไปบอกก้าวกันไปให้ทั่วถึงในท้องทิ่นของพวกเข้าปีนึงก็มีครั้งเดียวเท่านั้นละวันที่28โสิบดมนเย็นฟั่งพระธรรมเทศนาเนื่งกันวันที่29 เ, เสิบเาร์บาศตอนเช้าทาบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล ถวายกุศลคุณแม่และก็วุทิส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเขาแต่ละคนนะ่ะไปทำบุญกั บ, บาากูบอายจาย์พระสงฆ์ก็คือสิมาลายอยู่มั่งมือวันที่28 29แ่มือนที่28และเมือวันทีนนท่29เมื่ออื่นนะ่ะก็คงจะมีพระมาลายอยู่น ะ, ะแล้วก็ลูกหลานทั้งหลายอยู่ห่างไกลแต่หลวงพ่อนี่ก็อยู่เมืองอุดอร แต่เมื่ออุดรเนี่ยกาลังดังมาลึ่งตึงนั่งมาหลังตังหนึ่งมาทําไปเออมาขึ้นไดโนเลอร์ไปหาไปไปหาฮาพ้าเอาหนึไปเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายเนี่ยเ อ, อได้ยินไปชื่อเลอ่อเกิดจะลดพทหผู้ทางด้านจิตด้านเจอผู้ฆาตลงพ้อเนี่ยเมื่อได้ยินที่แรกเมื่อวันที่นหนึมีนาเนี่ยเออขาบอกพระหมอบัณฑิต ถ, ถูกยิง หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อจกๆคือกันเอ๊เห็ุอย่างใดวะบัดแล้วหลวงพ่อก็เลยมาในงานศบของเพิ่นมือนั้นเลยแล้วนะไปมากก็มาเห็นโอ้ตายอิรีตัวเนี่ยวะลูกปืนเขายิงอิรีหลวงพ่อเอ๊ะยิงด้วยเหตุอะไรเน่ะเป็นยังยังยิงนี่แหละบุกผัวในสู้ก่อนเนียแหละเขาก็จับผู้กระท้ำพิษได้เอ็ะเหาเลยละ จะรูปแล้วก็คือเนี่ยอย่างวันลีหรือหลวงพ่อเคยเบ้าอยู่เสมอเสมอเบล์ฮัลลุฮัลลานอยู่ในเอ็มพี่สาหลวงพ่อเน้นสามสามบทพระคาถาของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเพนมมีพระคาถาถึงแปด0 0ื่สี่พันพระธรร ม, มขันนะพระคาถาของพระพุทธเจ้านะแต่หลวงพ่อนํามาเนี่ยเบ้าบ่อยที่สุดก็คือตรงที่ว่า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 กรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้หลวงพ่อว้าอยู่บ่อยๆและก็คาถาอีกบทหนึ่งที่ว่าขยะวยธรรมมาสร้างฆาราอัปปมาเดนะัมปาเดทาติขอให้ท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะละเว้น ไม่มีใครที่จะพ้นความตายทุกคนต้องตายเพราะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้คือพระพุทธจเจ้า พ, นพ้นจะปรินิพานในวันเดือนหกเพนในตน้นลางทั้งคู่ก่อนที่พ้นจะปิดพระโอษฐ์ก่อนที่พนจะยุดโพธยุดแสดงธรรมยุดบอานะไป พอ น, นอนจะแข้งข้างขวาเ่พจน์กระก้าวคำนี้ขึ้นมาแบบสั่งเสียแบบพวกเข้าพุทธบริษัทว่าขยะวยะธรรมมาสั่งฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทาติสังขารทางหลายเป็นของไม่เทียงเนอเกิดแกเจ็บตายทุกคนบ่มีผลใดละเว้นไปได แต่พวกท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาเทเถิดประโยชน์ตนก็คืออย่างอย่าให้คาดตกปกพ้องการทํามาหาเลี้ยงชีพการทํามาค้าขายก็จะให้คาดตกปกพ้องจากนั้นก็การบ่มเพ่นท่านศีลภาวนาไหวพระสวดมนต์อย่าเลิกอย่าให้มันคาดจนเกินไปให้บําเพ่นทางด้านจิตเจอพร้อมเออพราะว่า ตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกไอ้ น, นี่กัพยายามหาบุญกุศลเท่าสู่จิตสู่เจอของเจ้าของเด้อและกัประโยชน์คนอื่นไอ้ซอยกันชิ่งไหนทีเกิดประโยชน์หลงกับซอยกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยพยายามประโยชน์ตนหลวงพ่อกพยายามสร้างคุณงามความดีรักษาศีลพ่อหน้าหลวงพ่อกพยายาม ทำความคุณงามความดีอย่างหลวงพ่อนะยกตัวาะหลวงพ่อเป็นตัวอย่างนะหลวงพ่อในขีวานจังบวชมาตั้งแต่อายุส1บเอปีเป็นสมณะมัง่งมองเบิ่งทางด้านหลังของเจ้าของนลยครับรู้สึกว่าภาคภู่มเจอภาคภู่มเจอเป็นอย่างมากเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ทําความสูญเสียหายยังทําคุณงามความดีมาตลอดบารมีประโยชน์ผู้อื่นบารมีหลวงพ่อก็ได้มาสร้าง หลงล้ำหลงเรียนให้ลุคหลาเนยบ้านแวกบ้านรูปเปิงบ้านเปาบ้านขมพีบ้านผูบ้านกอกแดงบ้านนิคมคําซอยแถบพวกนี้เบิ่งเบิ่งแล้วมีแม้แต่แถวนี้อีกต่างหากหลวงพ่อก็เลยซอยทั้งโรงพยาบาลเมืองอุด ร, รอุดรเครื่องมือแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆอันนี้ก็คือประโยชน์คนอื่นให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทอันนี้คล้ายๆว่าหลวงพ่อก็ทํา เออลูกขลานเอประเทศชาติบ้านเมืองให้ล่มเย็นเป็นสุขอันนี้ก็คือหลวงพ่อกับภาคภูมิใจแต่วัดลีที่สามเนี่ยเออนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีฮนี่แหละพระพุทธเจ้าเพูนบาว ไ, วไว้เลยความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบจุดนี้นะเฮาจิหาจังไรหาด้วยภาวนาเฮ้าต้องภาวนา ขั้นมีภาวนานี่ยมันก็มีสงบเลยล้างกายของเห่านี่ยขั้นจะเพื่อลังแก่ร้างกายนี่ต้องออกกําลังเลยต้องออกกําลังกายแต่ละเช้าแต่ละวันแต่ละเวลาต้องออกกําลังกายขั้นผู้เลามีแต่นอนนอนกับอยู่กับทีไม่ออกกําลังกายร่างกายก็มัดกําลังเพราะอะไรเพราะไม่ได้ออกกําลังกายขั้นออกกําลังกายสม่ําเสมอร้างกายของเห่าก็มีกมําลัง อันนี้คือ อ, อกกําลังกายแต่ว่าจิตใจมีต่างเดี่ยวได้ป่ะเนี่ยคันว่าเจอของเห่าหรือคิดปงฟุ้งอยู่ตลอดเวล า, เ, วลาเนี่ยเอาไปมากเลยนะเป็นบาพอจิตเจอคิดออกนอกลูกนอกทางคิดเป็นรู้จักหยุดจักยั้งเหรอนะเจอจะให้เจอจะให้เจอมีกําลังใจมีกําลังเนี่ยต้องคิดทําจิตใจให้สงบป่ะเนี่ยทาจิตใจให้นเนิ่งนี่แหละมันแปลกมันแปล ก, กว่าร้างกายเลยล้างกา ย, ากายต้องออกกําลังกายซะก่อน จึงได้กำลังใจในไปอ้อกำลังกายคิดโปร่งฟุ้งไม่ได้เมื่อตกำลังใจใจห่อเหี่ยวใจซึมเศร้าใจเป็นอันไส้เมอลไปต้องทำจิตเจอให้สงบวิธีทำจิตเจอให้สงบทำยังไงต้องศึกษาแล้วบาดต้องศึกษานําพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนกับให้ภาวนาพุทโธนะเนอ์ก่อนที่จิตใจจะสงบได้นะกำหนดลมหายใจเข้า หายใจอ่อหายใจเฮาหายใจอ่จอพดโทพดโทกับพร้อมกับพอดคำบริกรรมนะะะเนออย่าเฮ้เจอของเข้าคิดไปในในที่ต่างๆอย่าให้คิดถึงอดีตอย่าให้คิดถึงอนาคตอดีตคือคือเบื้องหลังฮะว่นวนัวนนมันก้อนปีกายปีก้อนไะอันนี้อดีต อ, อ, อานาคตคือปีหน้าปีฮฮ้อไปพูดนะอานาคตนะ่ะแต่จะเฮใหคิดเจอของเข้าคิดไปในอนาคตเนอะอย่าให้เกิดยิ้ใจของเข้าคิดไปในอดีตเนอะ เคยเจอของเข้าอยู่ในปัจจุบันนะพุทโธพุทโธถิโลมเพาหายเจือเข้าหายเจออ่อนี่ยอันนี้แหละเป็นการเพื่อกลังทางตั้งคิตทางคิ ต, ท า, ตทางใจค่าน้ำว่าต่อไปภายภาคหน้าเข้ามีความพยายามมีความตั้งจัใจตั้งใจมีความมุ่งมันอยู่นะเจอของเข้าก็จะสงบบ่เนี่พอจิตเจอสง บ, ะบะเน่งพอเจอสงบเน่เงนั่นแหลมีความสุข บ, บ่เนี่ยจิตใจร่วมสงบจบเป็นถึงอัปปนาสมาธินะ จิตใจนิ่งจิตสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นจิตใจกับจิตจับกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนั้นแหะจิตสงบพอจิตสงบมีพลังอะท่นนี่อออกมาจิตใจสบายมีความสุขเอนี่แหละที่แว่านัธธิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่ายิ่งกว่าความสงบบ่มีนี่แหละ หลวงพ่อเอาวุ้่หรือว่าเอาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ยยกมาเฮรุเฮร์หลานได้ฟังอยู่เสมอเสมอว่ากรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําลงไปแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้คือคํานึงอันนี้คือว่าขายะวยธรรมมาสร้างคาราอัปปมาเดนะซัมปาเดทาติขอให้พวกเข้าทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้ยั่งประโยชน์ตนเพราะสังขารทั้งหลายมันบอ่อเทียงเกิดแก่เจ็บตายพวให้พวกเข้าทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบพูดง่ามความดีจังยั่งประโยชน์ตนก็จะให้ขาดตกปกผ่องประโยชน์เพื่อเอื้นไข่ซอยกันไออีกบ่หล่นบ่น้านก็ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปนะนี่แหละอันนี้ก็คือวลีนึง่งวลีสุดท้ายก็ว่านัตติสันติพลังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี การผู้ใดผู้เลออยู่ในจิตเจออยู่ในความสงบแล้วมีแต่ความสุขความเย็นเจอนะคณะสัตยาติโยมลูกหลานพวกครูทุกคนเนาะเพราะนั้นขอหน้านที่ปีหนุ่งทได้มาพบมาเจอกับลูกกับหลานกับสัตยาติโยมถึงแนวเลิกกันั่นแถวเฮาก็มีหลวงปู่ลาสมัยก่อนเน่ยเพิ่นก็นสร้างสอนลูกสอนหลานสอนญาติสอนโนยมมาตั้งนมนานให้พวกเข้าเป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม ให้มีเมตตาต่อกันให้มีความเ อ, อ, เ อ, อื้อเฟื้อเอ้ออา LEY ต่อกันเนอะหลวงปู่รามิตรสอนอนั่ น, น, นเองหลวงพ่อกนะั น, เ ป, น, นเป็นลูกเป็นลานเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ไปอยู่ทางเล่อหลวงพ่อก็ได้บอกได้กล่าวแล้วก็พวกเข้าทั้งร้ายนะ เ, เดี๋ยวนี้มีหลวงพ่อเองกัมีเฟซนะท่านสมัยได็ดๆนะี่นะมีเฟซบุ๊กนะ เ, เป็นอย่างยังมีหลวงพ่อกับไปได้ว่ า, เ, าเป็นพระท่านสมองสมัยไอ้ยังรอก เป็นผ้าอยู่ในป้านในดงเนี่ยนะแะต่เมือ่อเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาลากสายใ ย, ยแก้วนะเขาว่าเขาจะเอาไปเข้าโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเพราะว่าการสอนจาก อ, อะไรหัวหินเน่การสอนมาจากวิทยาศตอังกฤษให้ทั่วประเทศ บัลรีเขาก็ลากสายใยแก้วมาผ่านนาวัดหลวงพ่อเขาก็ถามเลยหลวงพ่อจะเอายใยแก้วไหมเออใยแก้วเนี่ยเขาก็ได้งเงี้ว่าล้วมันเป็นพิษเป็นพ่ายนะไอ้อินโตนองอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กเนี่ยคณาว่าเข้าควบคุมบุรีเนี่ยมันจะฮาค่าพระคาเนนของเข้าเน๊นอหอลวงพ่อกขาเรียกพระผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษาที่เพิ่นผ่านทั้งโลกมา ก็มาปรึกษาเอ้ยพวกท่านทั้งหลายจะคุมไหวไหมพ่อเนาะเปิ้ลกับเออน่าจะไหวนะ่าท่านอาจารย์เราจะไม่ให้พระน้อยพระหนุ่มเข้าไปหยุงหญิงเกี่ยวข้องเอาพระเข้าไปผููที่ไว้เนื้อเชื่อใจเอาสักองค์สององค์ององเข้าไปเป็นผู้ดูแลแอ้คงจะได้น่าจะควบคุมอยู่เอาเถอะพวกผมจะควบคุมกานว่าคว บ, บควบคุมไม่ได้นะ่ะไอพวกผมจะกาบเลี้ยงลงพอ่อเออเอ า, เอา บาแล้วก็เลยหลวงพ่อก็เลยลากสายเข้ามานะ่ยจากนั้นก็เลยได้ใช้เฟซบุ๊กน่ะพ่อหลวงพ่อเทศเนะี่ยยังเทศในะวันนี้แหละบางทีก็อาจจะส่งไปเข้าไปแล้วกันนะส่งขึ้นไปทางเฟสเฟสก็ส่งต่อไประบาดนะดังไปทั่วโลกได้เลยนี่ได้ยินโยมพุ่นอยู่อยู่กรุงเทพนะพุ่นไปประเทศออสเตรียนะ เออพอเอประเทศออสเตรเลียเปิดฟังนะพวกกันยังได้ยินมันเแถวอังกองอังกิษออสตก อ, ออสเตรเรียเยอะละมันม่นหมดเอหลวงพ่อว้าเลยได้ยินมัดโอ้เออมันก็เอ ม, มันก็เป็นเป็นดาบสองคมขึ้นกันได้ลูกหลานนะวะ่ะคันว่าพูดดีคันความพูดคำใดไม่เป็นคำที่พิษแอแตกแตกต่างกันดังไปทั่วโลกขึ้นเด็กกันนะ่ะเออถ้าว่าเฮ็ด ถ้าพูดดีทดําดีพูดดีนะกับ เ, เป็นสง่าราชเป็นชริเป็นมงคน้นใดเพราะนั้นหลวงพ่อจึงนะบอกบอกกล่าวไว้เลยนะลูกหลานทุกคูทุกคนเนาะเป็นคนดีเนาะหลวงพ่อก็จะเป็นคนดีขึ้นกันพระที่ดีขึ้นกันจะได้ยินข่าวขูมมือในเบื้องหนูประเทศชาติบ้านเมืองของเฮ้าพระพุทธพระในพระพุทธศาสนา ดังระบดเถิดเถิงไปทุกแห่งทุกคนจะลูบแล้วก็คือเรื่องเงินนี่แหละหลวงพ่อบอกเลยเดี๋ยวหลวงพ่อว่าพิษภัยของพระสงฆ์นะให้ลูกหลานพระน้องนุ่งทั้งหลายพระลูกพระหลานทั้งหลายเนะีนะ่ยพระเนาอใช้แก้วสารพัดเนึกก็คือเงินนี่แหละเงินคือแก้วสารพัดเนึกว่าแต่ว่านืกอพิษเนี่ยพระนึกอพิษมันก็นไปทางพิษใดคือเดี่ยวได้คันนึกทางไปทางเทอมันก็เป็นชลิเป็นเมื่อเป็นมงคล พเพราะมันเป็นแก้วสารพัดนึกอันนี้คือเดี๋ยวนะ่ะการใช้เงินการใช้พิษไปทั้งพิษนะครับออกูมีครับคือเดี๋ยวโตก๊กถลํำลึกคืบกันกานใช้ไปในทางที่ถูกก็เป็นสิริเป็นมงคลเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองคืบกันเพราะฉะนั้นอันตรายเนอะให้เรามัดระวังทุกครูทุกคนลูกหลานของหลวงพ่อนะ่ยหลวงพ่อก็จะระวังคืบกันนะั่นแหะได้จะตุกปัจจัยมากก็จะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อลูกต่อหลาน เพราะว่าเงินของพระของเจ้ามันไม่เป็นเงินของทําบุญทําท่านมาเป็นเงินสาธารณก่อนที่จะทําบุญมากก็หยกเซอโหแล้วยกเซอโหอีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกก่อนที่จะมาทําบุญกับครูบาอาจารย์ป่านน้ครูบาอาจารย์ใส่ไปออกนอกรูกนอกทางออกจริงที่มันไม่ถูกต้องอมันก็ไม่เป็นสิริเป็นมงคลขึ้นกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นถึงจ ะ, จะตุปัจจัย เงินเป็นแก้วสารพัดนึกก็จริงเอมันนึกอีย่างก็ได้แต่วันนึกคิดไปทางมิจฉาทิฏฐินี่กับไปสุดตรงขึ้เดียวนะเพราะฉะนั้นขอให้พกลูกพกหลานทั้งหลายพระเนรทั้งหลายลูกหลานของหลวงพ่อทั้งหลายเนะ้อให้นึกคิดไปในทางที่ดีใช้ไปในทางที่ดีเป็นศีลเป็นธรรมก็เป็นสิริเป็นมงคลสําหรับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะอวันนี้ก็ได้ ืันนี้ก็ได้ว้าเรื่องรล่าให้ลูกให้หลานได้ฟังลายแนวนะ่ะต่อนนี้ไปก็พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนวนะันนี้นะทั้งมีทั้งภาษาพุทไทยภาษาไทยภาษาเล่าผสมประสานกันเอาตอนนี้ไปรับพรอนวนะันนี้นะ่ะลูกหลานนะ่